มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, ญหาตติยวัคพุทธบูชานุญญาตานุญญาตะปัญหาที่ห้าถามว่าห้าไม่ให้บูชาพระองค์เหตุไราภายหลังจึงสอนให้อุตสาหะบูชาพระาธาตุแทนพระองค์เล่าราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนะสมเด็จพระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปรีชาญาพาสิตังเจตังข้าแต่พระบรมโรกุตมาจารมีพระพุทธดีกาโปรโดประทานไว้ว่าอานันทะดูกระสําแดงอานนท่านทั้งหลายอัพยาวตา อย่าทำขนขวายที่จะหาของส ก, การะบูชาตถาคตนี้เลยแล้วกลับตรัสว่าดูกะระสำแดงอานน์ท่านทั้งหลายจงส ก, การะบูชาซึ่งธาตุของตถาคตผู้ควรที่จะบูชาเอวังกระราเมื่อท่านสาธุสัตว์บุรุษมนุษย์เทวดาทั้งหลายมีอุตสาหะขนขวายที่จะบูชาพระบรมธาตุของตถาคตตามคําที่สั่งไว้ ท่านทั้งหลายเมื่อจะสิ้นชีวิตกระทํากาและกิริยาตายก็จะบ่ายหน้าไปบังเกิดในสวรรค์นี่แหละพระพุทธดีกาเป็นสองไม่ต้องกันครั้นจะเชื่อเอาคำที่หลังที่ว่าให้อุสาหาบูชาพระบรมาธาตุของพระองค์นั้นคำเดิมที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ให้ทําขนขวายบูชากายพระองค์ก็จะผิดเป็นมิจฉาครั้นว่า จะเชื่อเอาคำพระพุทธดีกาเดิมไม่ให้ขวนขวายที่จะบูชากายพระองค์นี้พระพุทธดีกาภายหลังที่ทรงสั่งไว้ให้บูชาพระธาตุก็ผิดอยังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกตินิมนต์โปรดวิสัชนาเพื่อระ ง, งับเสียซึ่งคำประรับประวาดทั้งหลายในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่า มหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าอานันทะดูกระสัมแดงอานนท่านทั้งหลายอย่าทำขนขวายที่จะสการะบูชาพระสรีระของตถาคตเลยแล้วกลับตรัสว่าดูกระสัมแดงอานนท่านทั้งหลายจงกระทำสการะบูชาพระาธาตุของตถาคต ผู้ควรที่จะสการะบูชาเอวังกระราท่านทั้งหลายกระทำตามคำตถาคตสั่งดังนี้ครั้นสิ้นชีวิตอินทรีก็จะได้ไปบังเกิดเสวยรมชมทิพสมบัติอันมโหฬาริกภาพดังนี้มหาราชะขอถวายพระพรพระพุทธดีกาของสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์จะเป็นสองไม่ต้องการหาบ่อมิได้ และข้อซึ่งตรัสว่าไม่ให้สักการะบูชาพระเสรีรากายของพระองค์นั้นพระองค์ห้ามแต่บรรพชิตทั้งหลายมิให้กระทําสการะบูชาด้วยเหตุว่าบรรพชิตมีกิจที่จะพิจารณาสังขารกระทําโยนิโสมนาสิการให้เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาและเจริญซึ่งสติปัฏฐานานุปัสสนา อันควรที่จะประกอบให้เป็นประโยชน์แก่ตนผจนเสียซึ่งกิเลส ท, ทั้งหลายนี่แหละเป็นกิจอันบันพชิตพึงกระทำรรจึงสมควรที่จะปฏิบัติพระสัพพัญยูเจ้าจึงบัญญัติมิให้พระภิกษุกระทำสักการะบูชาพระเสรีระกายของพระองค์นั้นควรที่เทวดามนุษย์ปุถุชนจะพึงกระทำเช่นนั้นมหาราชขอถวายพระพร ปริปาประดุษราชบุตรทั้งหลายควรที่จะเรียนศิลปศาสตร์ฝ่ายราชกุมารมีประการต่างๆคือหัดขี่ช้างขีม่ม้าชักรถเรียนยิงธนูเพลงหอกเพลงดาบเรียนเลขเรียนนับด้วยข้อนิ้วมือและมนสำหรับการอาวุธสัตราเรียนรู้ภาษานกกาให้รู้จักข่าวดีข่าวร้ายรบพุ่งทั้งหลายมีประการต่างๆ นี่แหละเป็นกิริยาที่ราชบุตรทั้งหลายจะพึงขนขวายกระทากรรมอันอื่นคือกระทากสิกรรมและพาณิชกรรมการงานถากไร่ไถนาและทำเลือกสวนเลี้ยงโคกระบือการอันนี้บ่ไม่ได้ควรแก่ราชบุตรทั้งหลายการซื้อการขายการไร่การนาการรักษาวัวควายนี้ควรแก่คนทั้งหลายคือ พ่อค้าชาวนาเป็นบุคคลพลเมืองชั้นตำ่ำจะพึงกระทำตามเพศตามตระกูลของอัตมายะถามีขรุวนาชันใดมหาราชะดุรานะบพิษผู้ประเสริฐพุทธบูชานี้ไม่ควรที่ชินบุตรจะพึงกระทำในพระาศาสนาควรที่จะพิจารณาซึ่งสังขารธรรมจำเริญพระสติปัฏฐานอนุปัสนา ควรที่ว่าจะพึงประกอบประโยชน์แห่งตนเพื่อจะผจญเสียซึ่งกิเลสให้กำจัดจากจิตไม่ให้มีราคีอยู่ในวิถีจิตทางปฏิบัตินี้ควรที่บันพชิตจะพึงกระทารรจึงจะสมควรแก่ตัวเป็นชินบุตรเป็นพุทธบุตรมีอุปมาฉันนั้นการพุทธบูชานี้สมควรแก่เทวดาและมนุษย์ปุถุชนจะพึงกระทา ดังถ้อยคำที่ชักอุปมามาแล้วนั้นมหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งเปรียบปานดุดวิชาการและไตรเวทวิชาการทั้งหลายคืออุรุเวศสามเวศรู้ภาษาสัตย์ยะชุระเวทรู้บูชายันอาถับพเวทรู้ผูกแก้อาถนันลักขนงังรู้ทายลักขณะอิติหาสัง รู้ทิดนั่งกินข้าวและทิดจะถ่ายอุจาระปัสสาวะรู้จักทิศสารพัดกระทําให้ถูกทิศปุราณังรู้ที่แต่ก่อนว่าที่นี้เป็นที่บ้านเก่าเมืองเก่าจะประกอบอย่างนั้นจึงจะชอบกระทําอย่างนี้จึงจะควรอยู่ได้นิคันดังรู้จักกบินไม้เกตุพังเรียนกิริยาอากับแห่งมนุษย์นี้ก่อน อัครรับประเภทางรู้จักประเภทอักษรทุกตัวอักษรปะทางรู้บทพยาการนังรู้คำพีพยากรภาสนะมัดตังรู้จักที่จะประมาณกล่าวคือสัตว์ร้องอุปปาทางรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะอุบัติขึ้นชลังคังรู้จักองค์วิชาหกจันทคาหังสุริยะคาหัง รู้ว่าจะเป็นจันเป็นศูนย์จับทิศนั้นดีจับทิศนั้นร้ายสุกะราหูจริตังรู้จักราหูจรและพระสุขเทวดาผู้ใหญ่อันเที่ยวอยู่อุลุกขหะยุทธังเทวทุพิสรังรู้ว่าดาวเข้าในวงเดือนจะเกิดเทวยุทธสงครามโอการติอุ ก, กาปาตังรู้วิชาดูพระเกศ ต, ตกและอุกาบาต เปลวเพลิงตกลงมาแต่อากาศอุกราบาดนั้นลุกลอยขึ้นมาจากดินดุดพลุอันจะบอกเหตุอันร้ายผู้มิกำมัง่งรู้จักดูแผ่นดินอันพิกลทิสาทาหังรู้จักฟ้าแดงทิศนั้นเป็นมงคลทิศนั้นเป็นอวะมงคลผู้มันตะลิขังรู้จักท้องฟ้าอากาศโชติสรัง รู้จักโชติสร อ, อันลุกสว่างไปเองโลกายติกังรู้จักคำเภีโลกายยัดสาวกังรู้จักยามสามตามิตะจักกังรู้ดูมิตรรจักสุ ป, ปีนังรู้จักลักษณะหลับนิมิตตังรู้จักนิมิตฝันดีฝันร้ายรู้จักทํานายร้ายและดีอันตระจักกังรู้ดูชะตา มิศกุปปาทังรู้จักว่าอย่างนี้เป็นมิศกะอุบาทเจือจาน ร, ระวิภูสิกขังส ก, กุณนะรุตทังรู้จักเสียงนกร้องร้ายดีไตรเวทวิชาการทั้งปวงนี้โลกนับถือว่าเป็นวิทยาอันดีสิกขาการณียาสมควรที่มานบเหล่ากอพราหมงวงจะพึงกระทำวิธีภาคเพียนร่ำเรียนไว้สำหรับอัตมา คนพลเมืองชาวประชาชั้นต่ำจะควรภาคเพียรมาเรียนกระทำนั้นหาบ่ไม่ได้ชอบแต่จะเรียนถาไรไถนาค้าขายเลี้ยงวัวควายขวนขวายขี่ขับให้คล่องแคล่วตามกำลังตามโคตรตามตระกูลของอาตมายะถาความข้อนี้มีอุปมาชั้นใดอากามันจะอันว่าใช่การของพระชินบุตรทั้งหลาย ที่จะกระทาศั ก, กระบูชาเป็นพุทธบูชาควรแต่ที่จะพิจารณาซึ่งสังขารให้เห็นเป็นพระทุก ข, ขังอนิจจังอนัตตาเป็นอนุปั ส, สนารำพึงไปในพระสติปัฏฐานโยนิโสมนสิการกำหนดให้เห็นคุณและโทษอุตสาเพียรเรียนคันถัทุระวิปั ส, สนาทุระเป็นประโยชน์แห่งตน นขนไหวยที่จะผชนเสียซึ่งกิเลส ท, ทั้งหลายการที่จะกระทํำสักการะบูชาอันพุทธบุตรกระทํานี้เป็นการชอบที่จะกระทําอันกระทําเป็นพุทธบูชานี้สมควรจะกระทําแต่เทวดาและมนุษย์ปุถุชนอันพระชิ น, นบุตรบรรพชิตชอบกิจแต่จะเจริญเมตตาภาวนาเสมือนหนึ่งว่า พระมานพควรจะอุสาหเล่าเรียนไตรเวทวิชาการฉะนั้นที่ว่าขนขวายกระทาสักการะบูชานั้นชอบแต่เทพามนุษย์เหล่าคราวาสทั้งหลายเปรียบดุจการอันธุรพลมีต้นว่ากสิกรรมและพาณิชกรรมกระทาไรนาค้าขายเลี้ยงวัวควายแพะม้าช้างทั้งปวงนี้ชอบที่แต่พ่อค้าและชาวนาพึงกระทานี้ และที่ว่าเป็นอากำรรใช่การของบรรพชิตชินบุตรบวชในพระพุทธศาสนาจะกระทำศัการะบูชาควรจะกระทาแต่เทพามนุษย์นิกนทั้งปวงนั้นเป็นเหตุด้วยสมเด็จพระบรมโลกกาณาปรารถนาว่าพระชินบุตรทั้งหลายนี้ไม่ควรที่จะประกอบอากำคือกระทำศัการะพุทธบูชาควรที่แต่จะประกอบกรรม คือเรียนเจริญสมถวิปัสนาตัสมาการนาเหตุการณ์ดังนั้นตถาคตโตเอวะมาหะอันว่าสมเด็จพระสัพพัน์ยูพุทธพิชิตมานจึงตรัสโปรดประธานพระพุทธดีกาให้โอวาดไว้ว่าอานันะดูกระอานนท์ไม่ควรเลยที่สงทั้งหลายจะขนขวายกระทธรรมสักการะบูชาแด่สรีระแห่งพระตถาคตทศพล พระมหากรุณาพระองค์ตรัสเทศนาสั่งไว้ดังนี้เมื่อจะเจลลีจากโลกลับดับศูนย์เข้าสู่ห้องแก้วกล่าวแล้วคือพระอมตะมหานิพพานมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษผู้ปรีชาญานอันประเสริฐยะทิตาคาโตนะพระเนยยะพิแแลว่าสมเด็จบรมโล ก, กันนาศาสดา ไม่ทรงพระมาหาการุณาตรัสเทศนาว่ากล่าวห้ามปรามสั่งสอนไว้ดังนี้ก็น่าที่พระชินบุตรบรรพชิตทั้งหลายนี้จะสละเสียซึ่งจีวรและบาตรและเพศบรรพชิตกิจน้อยใหญ่จะตั้งใจกระทำแต่การพุทธบูชาเป็นอามิตรมิได้ประพฤติกิจเป็นปฏิบัติบูบชาเหตุการณ์ดังนี้ จึงมีพระพุทธเดีกาตรัสห้ามปรามมิให้กระทำบูชาโปรดไว้ให้กระทำสักการะบูชาพระองค์แต่เทวดาและมนุษย์ีิกรทั้งปวงด้วยประการดังนี้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาบรมกษัตริย์ขัตติยวเรศได้ทรงฟังซึ่งประพฤติเหตุแห่งปัญหาอันพระน่าเกษวิสัชนาแจมแจ้งมิได้กินแหนงในข้อวิสัชนาะ มีน้ำพระไทยสมอนสชื่นบานตรัสสาธุการว่าสาธุสาธุโยมรับเอาถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าเหนือเกล้าของโยมในการบัดนี้พุทธปูชานุญญาตานุญญาตะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้